ให้ฉันน้ำตาให้เธอและปล่อยให้ใจของเธอได้ลืมได้ไหมเร o ่องเราันนั้นเธอมันทำร้ายขอให้ฉันได้ลบมันได้ t หมใช้าัวใจของฉันยู่อยากให้เธอมันงคงไม่แฟถ้าเรื่องของเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อ อยากให้เธอลองรักลืมครั้งแรกที่เธอได้พบพราดและลืมทุกๆอย่างมองชันด้วหัวใจลองรักด้วยหัวใจ ฉันรักเธอไม่มีวันทำใเธอเสียใจ ไม่ไเลยจะพิงเมื่อเธอต้องการมันคงไม่แฟร์เธอร่้งคงเขาแตาทำไมเรอไม่ได้ไปต่อโปรดตรงเชื่อฉันจะมาอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกก็เธอได้พบพักและลืมทุกๆ ลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกูรองนะเธอรักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจ็บซักครั้งมาะรู้ไว้ว่าของที่ยังข้างเธอกันนะ็มาเพื่อจะรักเธอไม่ม ได้พบพราดและลืมทุกๆุก อ, อย่างมองเชิงที่หัวใจลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกูรองนะเธอรักฉันหวังเธอไม่เคยจอสักครั้งและรูไว้ว่าของที่ยืนข้งเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มี